ธรรมบทแปลเรื่องพระปิลินทวัชะเถระภาคที่แปดเรื่องที่สองร้อยแปดสิบปดพระศาสดาประทับอยู่นพระเวรุวันทรงปรารบพระปิลินทวัชะเถระพระพระธรรมเทศนานิวาหากกะกะสังวิญญาปนิงขิรัง สัจจังอุทีระเยยายะนาภิสาเชกันจิตะมะหังพระรูมิปรามนังแปลว่าผู้ใดพึงกล่าวถ้อยคำอันไม่ระคายหูอันให้รู้กันได้เป็นคำจริงอันเป็นเหตุไม่ยังไกลๆให้กัดใจเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นปรามตอน พระปิลินทวชชะใช่วาทะว่าคนถอยจนติดปากได้ยินว่าท่านปิลินทวชชะนั้นมักเรียกฤทธิ์หัดและบรรพชิตด้วยคําว่าคนถอยไปหมดว่ามาคนถอยไปกันคนถอยดังนี้เป็นต้นต่อมาวันหนึ่งภิกษุเป็นอันมากได้กราบทูลแก่พระศาสดาว่า ก็แต่พระองค์ผู้เจริญท่านปิลินทวชชะเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยถ้อยคำว่าคนไทยพระศาสดาจึงรับสั่งให้ท่านมาหาแล้วตรัสถามว่าปิลินทวชชะได้ยินว่าเธอร้องเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าคนทอยจริงอย่างนั้นหรือเมื่อท่านกราบทูลว่าข้อนั้นจริงพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคได้ทรงนึกย้อนถึงบุทเพณนิวาทของท่านแ ล, ล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าตีเตียนภิกษุชื่อปิรินทวชานั้นเลยภิกษุทั้งหลายวัชชะหามีโทสะในใจเรียกภิกษุด้วยคำว่าคนถอยไม่ภิกษุทั้งหลายภิกษุวัชชานี้ กลับมาเกิดในตระกูลพราหมณ์ติดต่อกันถึง5้ารชาติเธอใช้คำพูดว่าคนทอยมานานพระขีนาสพจะไม่ใช้คำระายหูคำหยาบคายคำกระทบกระทั่งชนเหล่าอื่นเลยแต่จริงบุตรของเราพูดเช่นนั้นมาจนเคยชินเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัส พระคถานี้ว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำอันไม่ระขายหูซื่อความกันได้เป็นคำจริงไม่ทำใครใครให้ขัดใจเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามบาลีว่าอากักกะสังวิญญาปนิงคิรังสัจจังอุทิระเยยายะนาพิสะเช กันจตามหังพรูมิปรามะนังในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอากกก ะ, กะสังแปลว่าอันไม่ระขายหูได้แก่คำไม่หยาบคำว่าวิญญาปนิงแปลว่าซื้อความกันได้ได้แก่ให้รู้ใจความกันได้คำว่าศัจจังแปลว่าเป็นคำจริง ได้แก่เป็นเนื้อความอันเป็นจริงคำว่านาพิสาเชแปลว่าไม่ทำไกรไกรให้ขัดใจหมายความว่าบุคคลไม่พึงยัางบุคคลอื่นให้ข้องใจโดยทำให้เขาโกรธ ด, ด้วยถ้อยคำอันใดพระกีนาศพพึงกล่าวถ้อยคำเช่นนั้นเท่านั้นเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกผู้นั้นว่า เป็นพรามในเวลาจบเทสนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปัตทิพนเป็นต้นนังนนี้แหละเรื่องพระปิลินทวชเตระ